พระอุทายีทูลรับว่าไม่ใช่ญาติพระพุทธเจ้าข่าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าโมฆะบุรุษบุรุษผู้ไม่ใช่ญาติย่อมไม่รู้ความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมของที่มีอยู่หรือไม่มีของสตรีผู้ไม่ใช่ญาติเธอนั้นรับจีวรจากมือภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติโมฆะบุรุษการกระทําอย่างนี้ไม่ได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทําคนที่เลื่อมใสอ ย, อยู่แล้ว ให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้